ขอความสุขความเจริญจุมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงเป็นบทสรุปของพระคำภีอุทานในส่วนที่เป็นอัตกถาคือปรมาธิปนินีเป็นอัตกถ า, า, ากุตตะกนิกายนะฮะพระคำภีอุทานก็อยู่ใน พุทธ ก, า, ก า, านิกาเพราะงั้นอัตกถาชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกชื่อเหมือนกันคือในตอนปลายนีย่ท่านได้สรุปแต่นอหาสาระที่จริงก็อยู่ในพระบาลีพุทธวัจนะนั่นเอ ง, เงแต่ท่านก็นำมาร้อยเรียงก็ทำนองเล่าเรื่องต่างๆ คืออัตตกถฐานั้นแปลว่าการอธิบายข้อความซึ่งยากในปฏิบิดกคือในตัวพระบาลีพุทธวจนะแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่ใช่บาลีพุทธวจนะหรอกเพียงแต่ว่าปเิระอรหรันหรือว่าพวกเทวดาพวกพรหมกล่าวไว้แต่ข้อความไม่ชัดเจน บรรดาท้าาจารย์ท่านก็ทำหน้าที่อธิบายชี้แจงให้เกิดความชัดเจนทีนี้ปัญหาถามว่าท่านเอาความรู้มาจากไหนอธิบายมันเป็นการสั่งสอนสืบต่อกันมาโดยลำดับถ่ายทอดกันด้วยมุขปะทะซึ่งมีการท่องจำแล้วก็สวดพร้อมกันเรียกสาทยายพร้อมกัน มีการทำทั้งสังขยาเดี่ยวและสังสาธยายคู่สาธยายหมู่หรืก็หมายความว่าถ้าเราเทียบเคียงกับการพิมพ์หนังสือในปัจจุบันเกิดอะจะเห็นว่าคนพิมพ์หนังสือในปัจจุบันก็คือคนคนเดียวพิมพ์อาจจะเผลเอเลออาจจะหลงลืมอาจจะพลั้งพลาดอาจจะตกหล่นมันก็ไม่ได้มีการสอบทานกัน แต่ถ้าเรามาสวดพร้อมกันเนี่ยเสมมติว่าสวดอิติปิโสพวกวาพร้อมกันใครทาหล่นไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็สะดุดละหรือสุดเกินไปคำหนึ่งก็สะดุดละเการสอบทานในลักษณะนี้ที่จริงแล้วความแม่นยำเนี่ยดีกว่าการขีดเขียนไปได้รออักพน เพียงแต่ว่าฉันท่าอุตสาหะในการจำของคนเนี่ยมันน้อยลงจะไปท่องจะไปสาธยายจนจำมาเป็นเล่มๆ เ, เนี่ยจะยากเดี๋ยวนี้มีนักวิชาการสมัยใหม่ชอบพูดป่ะจําเป็นนกแก้วนกขนทองพูดเกินไปไนะฮะคือจำนั้นเป็นงานของจิตซึ่งทําหน้าที่จํอารมณ์ จิตนั้นออกมาจากธาตุสองธาตุคือจิตธาตุในความคิดและจินธาตุในการเก็บการสะสมก็คือการจําเพราะอะไรก็ตามก่อนจะเป็นอะไรก็ตามมันต้องผ่านการเรียนรู้มาทางประสาทสัมผัสแล้วต้องผ่านการจาบางครั้งตรงแม่นยามันเป็นฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ จึงสามารถจะคิดต่อขยายไปได้โดยผูกโยงอยู่กับข้อมูลเดิมคือคนเราคิดอะไรไม่ได้เราถ้าจำไม่ได้าการจะพูดอะไรมันต้องหลับตานั่งสมาธิดูที่จิตดูนะฮะดูจิตของเราดูว่าถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยเราอธิบายได้หรอือล่าเราจำความคุณงามความดีของพ่อแม่ไม่ได้เลย ถามเราอธิบายได้ไหมเราไปในสถานที่หนึ่งเราจำอะไรไม่ได้เลยเราจะเล่าเขาได้ไหมเพราะความจำเป็นที่มาของระบบการคิดการทำความเข้าใจการศึกษาการวิเคราะห์การวิจัยตลอดถึงการสอบทานเทียบเคียงกับผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการทำงานในระดับอื่น ก็ผลมันตั้ต้องลงกับที่เราจำไว้นะคล้ายๆกับศรัทธาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตเราก็มีความรู้สึกปรมีศรัทธาแต่ถามว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วอะไรไม่มีเมื่อย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งต้องไม่มี ปัญหาจะต้องตอบให้ได้ก็คือว่าเมื่อเราบอกว่าเรามีศรัทธาเนี่ยอะไรไม่มีเราจะต้องไม่เห็นความไม่เชื่อต้องไม่เห็นความเครือข่าสงสัยเป็นอย่างน้อยนะะพอปริมาณของศรัทธาเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องไม่เห็นความสนีต้องไม่เห็นความโลภต้องไม่เห็นความโกรธจึงเชื่อมีศรัทธาจริง ไม่ใช่เกิดเป็นภาวะขัดแย้งกันในสิ่งที่เราว่ามีอ่ะแต่ก็สิ่งตรงกันข้ามมันมีด้วยบ่มีแสงสว่างก็วความมืดอยู่ด้วยก็หมายความว่ามันผิดละเพราะในจุดใดที่มีแสงสว่างจุดนั้นต้องไม่มืดจุดใดที่อิ่มจุดนั้นจะต้องไม่หิว มันต้องเห็นอย่างนั้นเพราะเราเห็นว่าความจํำจึงกลายเป็นฐานที่จะย้อนกลับมีรอบนึ่นงฮะมาลงกันสมกันกับสิ่งที่เราจําไว้หรือไม่เดี๋วนี้เราเป็นอนณานิคมของฝรัง่งอาณาณิคมแม้ในความคิดเนี่ยการต่อต้านการท่องจอําเนี่ยมีมานานแล้ว ทมาเคยทำงานร่วมกับกลุ่มวิชาการสมัยนั้นรองอธิบดีชื่อคุณประโมทก็ขัดคอกันเรื่อยเวลาทำงานเนี่ยคือท่านจะต่อต้านการจำทมาบอกไม่ได้อะถ้าไม่จำไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นงานของจิตการศึกษาที่จริงเป็นการพัฒนาขันห้าแต่นั้นเองไม่มีอะไร เดียวเราจะประเด็นให้ได้ไม่อะไรล่ะพัฒนาขั้นห้าข้างนอกไปทั้งหมดอ่ะผิดผลดยาธรรมชาติทั้งหมดมันก็คือรูปดินก็คือรูปน้ำก็คือรูปลมก็คือรูปไฟก็คือรูปอากาศก็คือรูปไปรู ป, ปรขันเนะ่ยกองรูป เพราะเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรานำมาผิดมาสร้างสรรมาพัฒนามาประยุกมาปรับใช้มาวิเคราะห์วิจัยทั้งหมดนี่ที่จริงคือรูปปันเหมือนเราจะจับประเด็นได้เราไม่เสียเวลาไปเรื่องถกเถียงในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกคือเรามาเสียเวลาถกเถียงเรื่องนี้กันเยอะ เพราะเราไม่ได้มองให้เห็นถึงเนื้อหาที่แท้จริงเราไม่เชื่อในสัมพยุติยานของพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าทรงแสดงในสรุปที่สุดมันสรุปเป็นรูปนามคือหน้าก็รูปแต่นั่นเองแล้วพวกนี้เอาไปสรุปที่ไหนก็ได้ที่ขันห้าที่อายตนาสิบสองที่าตุสิบแปดที่อินทรีย์ยสิบสองที่อริยสัจสีที่ปฏิจจสมุปบาทที่สรุปที่ไหนก็ได้มันเหลือแค่น้ากรรูปแต่นั้นเอง มัน ม, มีอื่นไปจากนั้นเนะี่ยก็วันก่อนเนี่ยได้ยินท่านผู้หนึ่งพูดไว้ว่านิพานไม่เป็นนามไม่เป็นรูปพูดอย่างนั้นก็พูดยากนะฮะเพราะว่านิพานมันเป็นจิตสัมผัสอะสัมผัสด้วยจิตจิตมันเป็นนามฮะว่านิพานมันก็เป็นนามถึงแม้ใครจะเขียนไว้ที่ไหนว่าไม่ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่อย่างนั้นมันก็ผิดอ่ะ นิพพานก็ต้องมีอยู่ทีนี้เมื่อสรุปเป็นนามาูปแล้วแล้วไปตัดนิพพานออกว่าไม่เป็นนามามเป็นรูปแล้วก็หมายความอย่างไงแน่นอนชื่อนิพพานเป็นชื่อสมมติแต่มันก็มีสิ่งอย่างหนึ่งอะ่ะที่เป็นนามา ร, รมซึ่งจิตเป็นผู้สัมผัสจิตเป็นผู้สวยมันน่่เป็นสังขารหรอกมันเป็นพิสังขาร คือทำยังไงอแม้แต่ระบบที่เราเรียนในตำราตำนาเนี่ยเราต้องคิดด้วยนะฮะเราต้องคิดด้วยต้องอ่านและต้องคิดด้วยไม่ใช่ว่าคำพูดของพระตถาจารย์คือประกาศสิทธิ์จะสวงสวรรค์ที่เราต้องเชื่อทุกตอยคำมันเกินไป่ะนะเพราะถ้าเหล่านั้นก็คือคนคนหนึ่งอะ่ะที่มีหลงมีลืมมีพลังมีพลาดได้ คือตลาดด้วยความพินิจพิเคราะห์มีเยอะนะฮะราตรกถาท่านพลาดเหรือท่านมองเฉพาะมุมมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งแล้วก็เรื่องของท่าน่ะเราจําเป็นอะไรจะต้องเชื่อแต่เราก็แค่เป็นบทเรียนว่าก็อย่าให้พลาดกันแล้วกันท่านเริ่มต้นด้วยคําว่าก็ด้วย้อยคําเพียงเท่านี้พระองค์ผู้หลุดพ้นดีจากความยึดมั่นในภพ คือเราจะเห็นว่าภพเนี่ยมันเป็นผลมาจากชาติชาติก็มาจากวิชาตาระถาปทานนะฮะแต่เราจะเห็นว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปจากปฏิจจสมบัทเนี่ยมันภพเนี่ยปรากฏก่อนแต่ภพตัวนั้นมันไม่ใช่ภพตัวนั้นมันเป็นสังขารภพ เมื่อสังขารพะพุทธองสร้างเป็นชาติชาติก็บังบังเกิดในภพคือการมาพบรูปรพบพบ ร, รูปรพพราะนภพมันก็มีสองภพภพก็มาจากภูธาตุในความมีความเป็นเนี่ยเพราะตัวบุญเบินบาปเป็นอาเนชาก็ก็เป็นภพอย่างหนึ่งเป็นผู้สร้างให้เกิดภพในขณะเดียวกันที่อยู่ของสัตว์มันก็เป็นภพอย่างหนึง่งเราแยกประเภทเป็น กามาพบรูปพบรปพบรูปพบก็สรุปก็มีอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีรูปแล้วก็เสพกามกลุ่มหนึ่งมีรูปแต่ไม่เสพกามกลุ่มหนึ่งไม่มีรูปเด็กก็ไม่ต้องพูดถึงเสพการมันก็แสดงว่าการมาพบมันก็มีอยู่แค่สิบเอ็ดอย่าง อาบายสี่มนุษย์หนึ่งแล้วสวรรค์หกรูปภปพก็มีอยู่สิบหกคือรูปภพที่เกิดด้วยกำลังของชาญินะสิบเอ็ดแต่ว่าเกิดด้วยกำลังของอานาคามิมักก็ห้าก็ที่เคยบอกว่าเป็นสุทธาวาสแล้วก็เป็นรูปภพอยู่สี่ตรงนี้พูเจ้าพ้นหมด แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพภพทั้งที่เป็นสังขารระภพบคือทั้งบุญทัาบาปทั้งเนนชาแล้วภพคือสถานที่ที่อุบัติพระเจ้าก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นผู้อันเทพและทานนบนับถือแล้วทานนบนั้นเป็นชื่อของอมนุษย์ชนิดหนึ่ง ก็เป็นเทพระดับต่ำทีนี้เมื่อท่านใช้คำอย่างนี้คำว่าเทพทั้งหมดเนี่ยหมายถึงเทวดาจากจาตุมารดาขึ้นไปถึงพรมโลกถึงอรูปภพลมและนอกนั้นก็ถือว่าเป็นพวกทานุปือสงเคราะห์กันในแนวนั้นผู้ตัดความสืบต่อแห่งตัะหนได้ขาดแล้ว เปลอสังเกตว่าใจมนุษย์เราเนี่ยมันตั้หามันสื่ต่อไปได้เรื่อยอ่าเช่นสมมุติเราเลือกของเนี่ยลองสังเกตเราตั้หามันไหลไปเรื่อยอยากได้อย่างนี้เลือกดูพิจารณาดูอา้าวไม่ชอบก็เปลี่ยนไปอยากได้อย่างน่้มันก็เกิดกา ร, ร ม, มาตั้หาเพราะว่าตั้หาเกิดการมตั้หาเพราะว่าตั้หาวิเราะว่าตั้หามันก็หมุนกันอยู่เนี่ยให้เราสังเกตไปเราเร า, เ, ร า, เ, ราเลือกซื้อของอะ่ะ เรื่อซื้อของในห้างสรรพสินค้ามันจะเกิดกรรมตันหาเกิดเพราะว่าตันหาอ้าบางจุดก็เกิดวิพาตันหาเลยไม่ซื้อเลยดูใหม่เกิดกรรมตันหาเพราะว่าตันหาวิพาทตันหาอ้าไม่ซื้ออีกเกิดกรรมตันหาเกิดเพราะว่าตันหาใหม่ตอนนี้ชอบตัดสินใจซื้อก็เราก็เป็นเจ้าของก็เป็นอาการของเพราะวาตันหาอยากได้อยากเป็นเราอยากเราก็เป็นเจ้าของ ใช้ไปหน่อยหนึ่งรุ่นเขาเปลี่ยนก็เกิดวิพัตนาล่ะก็ไปซื้อใหม่ถึงเวลานี้เขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนดีกว่าซื้อคือซื้อดีกว่าเปลี่ยนนะฮะดีกว่าไปซ่อมไปแซมก็เมื่อก่อนมิว่วาไม่ค่อยจริงจะดูเครื่องเยอะตัวหนี่จริงนะฮะ อย่างเทพที่จริงก็ยี่ห้อเทียกด้วยกันเน่ยนะฮะใช้มามาก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกก็มาในเรื่องสักทีหนึ่งคนเอกเสรีท่านก็ให้คนซื้อมาติดตั้งถวายใหม่มันก็ดีขึ้นเนี่ยทำงานสบายขึ้นก็ สแสดงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยสังขารยุคสมัยใหม่เนี่ยพอเทียเกียงการซ่อมกับซื้อใหม่เนี่ยก็สแสดงขคงเจตนานะเจตนาสร้างให้ใช้ไปแล้วก็ไม่ต้องซ่อมไปซื้อใหม่แนวความคิดตัวนี้เป็นแนวของอเมริกาใครนั่งเครื่องบินอเมริกาเนี่ยนะ ไอ้พวกเครื่องใช้ที่รับประทานอาหารเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันทิ้งหมดเลยก็ยังนึกว่าเองยังใช้ได้นะแต่เขาก็ใช้วิธีทิ้งเขาบอกก็เอาไปบดอัดใหม่นะฮะไปรีไซเคิลใหม่สความคิดอย่างนี้ก็ในแนวทำงานกระจายอะไรงานกระจายไรายได้มันก็ดี แต่ว่าที่จริงก็ทำให้ผู้บริภโภคเนี่ยต้งใช้จ่ายสุขคิจเพราะฉนั้นตัณหามันดับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่พระเจ้าสัสรุคือดับตั้งแต่บรรลุอสวรรคานแล้วมันไม่มีอะไรให้กระตุน้นที่จริงสิ่งกระตุ้นมันมีแต่ว่าไม่มีเชื้ออยู่ข้างใน แล้วน้องลอง ม, ok, อมองดูภาพของสาวส ว, สวยนะฮะพระพุทธเจ้ายังหนุ่มตอนนั้นสามสิบหกแล้นั่นเด็กมีนางตัญหาราคารตีมาปลอมแปลงบิดเบือนร่างกายทุกไซทุกลักษณะทุกรูปแบบที่ผู้หญิงมีอยู่ในโลกเนี่ยท่านสร้างเป็นภาพจำลองขึ้นมาหมด เ, เพื่อเป็นตัวเลือกนะ ว่ายโยนจะชาติทาฏนี้ให้ได้พระเจ้าประทับนั่งเหมือนกับเป็นรูปรูปนั่นแหละคือไม่อ่อนไหวไม่หวั่นไหวเพราะจริงรูปทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสแอ้พวกนี้มันเป็นตัณหารูปตัณหาสัพพตัณหาคันธตัณหารสตัณหาผลตภาพตัณหาธรรมตัณหามก็ตัณหามันก็เกิดที่เนี่ย เกิดที่หกอันเนี้ยไม่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าตัณหามันดับแล้วไม่มีเชื้อก็เข้าถึงนิพพานแล้วเพราะนั้นอารมณ์ข้างนอกมันก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ถ้าฟังลองสังเกตว่าอารมณ์นอกสักแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเราก็ทําได้ระดับหนึ่งเยอะที่เราไม่สนใจไม่ยินดียินได้เลย ผ่านอารมณ์ไปเยอะเดินสวนกับคนเยอะเราก็ไม่รู้สึกสนใจไม่ยินดียินได้เลยแต่ของเราไม่รู้นะที่เราไม่สนใจเนี่ยเพราะเราไม่รู้แต่ของพระพุทธเจ้าเพราะรู้จึงไม่ค้่องไม่จิตแสดงให้เห็นในสองอย่างนะฮะอย่างนีนกคือยกตัวอย่างให้ให้ดูว่าถือถ้าเราคิดเป็นรูปธรรมเนี่ย คนบ้ากับพระอาหารหันต์นั้นเป็นคนพิเศษนะได้รับการยกเว้นห้ามโจดทวงด้วยอาบัติทุกชนิดเลยมันคิดเป็นเส้ น, นคือแสดงว่าระหว่างอาวิชากับวิ ช, ชานี่มันอยู่คนละขั้วของเชือกพอเราเชือกนั้นมามวนเป็นวงกลมไม่ต่อกันนะฮะ คือตั้งคนตั้งอยู่คนละมุมกันมันจะมีลักษณะกล้กันแต่ควายหนึ่งไม่รู้อะไรเลยควายหนึ่งรู้สมบูรณ์ทำให้ท่านไม่คล้องไม่ติดพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยเลยไม่คลองไม่ติดเหมือนกันไม่อยากได้เนะงนินทองแกก็ไม่อยากได้รือไม่รู้มันทองอะไรราคาอะไร ะคล้ายๆกับคนกับแก่แจ้อย่างที่ว่าในแก่แจ้ก็พลอยเนี่ยแก่คนก็พลอยคนรู้แต่รู้แล้วเกิดตัณหาแก่แจ้ไม่รู้มันไม่เกิดตัณหาแต่มันเกิดตัณหาในเรื่องที่มันรู้เพราะงั้นก็เรารู้ให้เรานั้นเกิเรารู้แต่ว่าตัณหาเราเกิดของพระเจ้ารู้แต่ดับตัณหาตัณหามันไม่เกิดแล้วก็ไม่ต่อเนื่อง เพอนท่านก็บอกว่าผู้แสดงปีติและสังเวทคือหมายความว่าอุทานทั้งหมดเนี่ยเป็นปีติเขาเรียกว่าสมนัสยานคือพระปรีช า, านที่ยังรู้แล้วก็เกิดโสมนัสแต่บางอย่างเนี่เกิดสลดเกิดสังเวทสังเวทในที่นี้ก็คือสลดพระไถย โดยพลังของการุณานะฮะเราเห็นว่าสลดของเราเนี่ยบางทีมันเกิดด้วยโทสะแต่ของพุทธยานั้นเกิดด้วยการุณาสงสารสัตว์ที่มีอันต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ทรงเปล่งเป็นพระพุทธฐานขึน้นแต่วังที่ปี ต, ติเช่นพระทัพมาลาบุตรแสดงอิทธิ ป, ปฏิหารก่อนจะไปนิพพานเนี่ย แล้วก็ข้าวเตโชก็สินเผาทำลายทุกสิ่งที่เป็นก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างกายของแท่นตลอดถึงผ่าสบุงจีวอนอะไรอะไรหมดเด้แล้วกเกิดปิติเพราะเราจะเห็นว่าพระพุทธธรรรัตที่เกิดจากมิติกับพระพุทธธรรมรัดที่เกิดจากสังเวชมันจะต่างกันเกิดจากสังเวชนเช่นเนี้ยเช่น อ น, นิจจาวัตสังขาราเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนประวัวยะธรรมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอระชิตตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเล ส, สังโมเปิสมูสุโ ข, ขการทำจิตให้สงบประงับในสังขารทั้งหลายใี้ได้ก็จะเป็นสุขนั้นเป็นคำาี่ท้าสกะเทวราชกล่าวด้วยความสังเวทขึ้นสะดดใจ ว่ามัตุราชเนี่ยมันไม่เว้นใครเลยนะแม้แต่เราพุทธเจ้าอย่างตอนนี้ผ่านเลยก็สังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงจริงแต่ว่าความรู้สึกอย่างเนี้ยมันมันเกิดเปลี่ยนแปลงภายในจิตเกิดธรรมะขึ้นภายในจิตแล้วก็ว่าผู้ยินดีในการประทานพระสัจ ธ, ธรรม คือจิตที่กรุณานะมันมาจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็จิตที่ส ม, มุรด้วยปัญญาเพราะการประทานพระสัธทธธรรมเนี่ยมันเกิดการหลั่งไหลของกรุณาที่ไม่ขาดสายที่พระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่ทรงนิพนว่าการุณามหันตนโวทรงกรุณาดุดท่วงทะเลหลวง สารพัด ส, สารพัดสิ่งที่ลงไปอยู่ในทะเลลวงก็ไม่ได้ถูกปฏิเสธนะเป็นไวไ้ใ้สิ่งที่สุกกรโกนะฮะสิ่งที่สุกปรกก็รองสัตว์ขึ้นฝั่งแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่เ็าได้ตลอดเรา่การประสาทประทานรัธรรมในที่นี้ก็หมายทั้งสามข้อนั่นแหละคือตั้งการศึกษาเรียนรู้ ทั้งการนำใบประพฤติปฏิบัติและก็ตัวผลก็คือปฏิเวตสัจธรรมแต่ข้อที่ควรกำหนดไว้อย่างหนึ่งคือพระธรรมมีลักษณะเป็นวงกลุ่มแบบเดียวกับอาริมักแบบเดียวกับไสรจิขาแบบเดียวกับอธิบาทแบบเดียวกันเนี่ยคือธรรมะทั้งหลา ย, ยาลามันจะลักษณะหมุนหมุนช่วยกันจนผนึกเป็นเนื้อเดียวกัน ในความเป็นปริยัตยมีปฏิบัติมีปฏิเวทในความเป็นปฏิเวทก็มีปริยัตยปฏิบัติในความเป็นปฏิบัติก็มีปฏิเวทปริยัตอะไรเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันถือพระศาสนานั้นที่จริงแล้วเนี่ยมันเริ่มที่เป็นปฏิเวทยอยู่ภายในพระไตรกรุพุทธเจ้าเป็นผลตรงมาจากพระสัพพยุตยานในการศรัสรุ้พระเจ้าเกิดกรุณาในมูสั ก็นำปฏิเวตสัจธรรมที่โปร ง, รงส่งสัมผัสนันแหละสัมผัสเสร็จมันเกิดกรุณาการุณาอย่างเนี้ยคล้ายๆกับเราไปกินของอร่อยแล้วนึกถึงคนที่เรารักโดยซื้อบาฝากไปท่องเที่ยวไปเห็นทิวทัศน์บ้านเมืองป่าเขาลานมไพรเขามันสวยงามลเลยท อยากให้คนที่เรารักเนี่ยมาเห็นด้วยพอดีท่านไม่ได้มาเราก็ถ่ายภาพไปฝากให้ดูเห็นไหมพอเราสัมผัสสิ่งดีงามแล้วนี่จิตมันกรุณาก็แสดงว่ า, ามนุษย์เนี่ยมันมีได้ระดับหนึ่งแต่แวดวงมันจะไม่กว้าง แ, แวดวงจะอยู่ในแคบๆ แ, แล้วด้สิ่งเราเนี้ยบางทีเนี่ย เราเราไม่เคยนึกนะฮะวันก่อนก็มีท่านผู้หนึ่งก็โทรมาโทรศัพท์มาก็มาเล่าให้ฟังน ะ, ะว่าคือคือเขาต่อสู้กันเขาเป็นอิสลามนะฮะอิสลามแล้วเขาก็เปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธท่เคร่งครัดเอาจริงเอาจังฝึกอบรมเด็กเข้าไข่ตลอดทั้งปี เลยเปนการต่อสู้กันแรงมากต้องดิ้นรมขวนขวายกันแรงเพราะรัฐบาลไม่ลงทุนทางศีลธรรมคือไปกำหนดอดตัวเงินหมดเว้ น, นี้จะเปิดคาสิโนจะอะไรอ่ะจะเปิดข่าวว่าจะเปิดมหาวิทยาลัยเรียนเรียนการบริหารคาสิโนตรงเล่นการพนันได้ทุกอย่าง คือมันคิดคิดวัตถุนิยมจนสยองไงนะวัตถุนิยมจนสยองไม่ได้มองว่าในสัตยธรรมของพระพุทธเจ้านะ่ะทรงปฏิเสธในครั้งแรกเลยนะฮะวัตถุนิยมทรงปฏิเสธไปครั้งแรกเลยวแต่เวเมพิกเวอันต า, าบาปิเตนะนะเสพิธภาเนะี่ยอุกว่นพิสูจน์ทั้งหลาย ทางสอนทางงานบุคคลไม่ควรดำเนินไปเบิกกรรมาสุขการริการนโยกก็คือเนี่ยวัตถุนิยมนี่แหละตอบสนองทางเนื้อนหนังมังสาเพานวันี้จะได้เงินแล้ไม่ไม่ไม่คิดเลไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นคิดว่าได้เงิน่ล้วนึกว่าจบแล้ว อย่างเนี้ยยกตัว อ, อย่างว่าเขาอะไรอะแฟชั่นวันก่อนที่ออกมาเผยแพร่ทางแถวสีลมมานะแฟชั่นอะไรเขาไม่รู้แต่เขาไม่ไดนึกนะฮะว่าภาพต่านี้มันเป็นเป็นวีดีโอเป็นวีซีดีเป็นห น, Video, น, CD, น, นังสือพิมพ์เป็นโปสการ์ดเป็นอะไรต่อะไรต่างๆนี่สารพัดเลยแต่พวกหนุ่มๆมึงก็ได้ภาพตอนนี้ไปกระจาย แล้วถ้าเราดูระยะเวลาที่เขาพูดถึงว่าปัญหายากรรมเรื่องเพศเนี่ยการสัมสอนเรื่องเพศการจุดคร่าอาจารย์การข่มขืนการทำสำราการมั่วสุมทางเพศที่มาแรงได้เกินเกือบแซงเกือบแซงยาบ้าไปเราไม่ดูเงื่อนต่อว่ามันหลังจากอาการแสดงแฟชั่นโชว์โลกครานั้นไม่กี่วันน่ะ อันนี้ก็เกิดนั้นแสดงให้เห็นทั้งว่าคนยินดีในอศัศธรรม็เนเน้นย้ำที่โลกวัตถุโดยไม่ได้มองว่าธรรมะที่รูุ้ตธเจ้าส่งสรู้แล้วก็ส่งสแสดงเนี่ยมันให้ผลสูงสุดแก่พระพุทธเจ้าพระหานมาแล้วแลวสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ อยู่สมบูรณ์ในปัจจุบันก็ยังอยู่สมบูรณ์พระเจา้าทรงประทานประทานทั้งปริยัตปฏิบัติได้ปฏิเวทแต่ว่าองค์ทำแต่ละข้อเนี่ยมีความเป็นปฏิเวทตัวนี้ต้องตระหนักมากต้องให้ความเคารพเวลาเราพูดเราแสดงถ้าไม่ตรงกับที่พระเจา้าทรงแสดงเนี่ยต้องรับผิดชอบนะ พอทารดปปฏิปทาของพระหันทั้งหลายแล้วท่านแสดงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สื่อสารด้วยภาษาตัวเองได้พะเราก็พูดกับคนนะฮะใช้ภาษาบาลีพูดก็คงไม่ได้แต่ก็ต้องรักษาเนื้อหารักษาอัตถะของธรรมะเหล่านั้นเอาไว้ สัชสังว่าเป็นผู้เป็นผู้นำของชาวโลกโดยพิเศษอันนี้ก็คือโล ก, ก น, นายกนะเป็นผู้นำชาวโลกอย่างที่บอกไอ้ที่จริงก็อยากจะจับเข่าคุยกับเพื่อนสาสนิกทั้งหลายนะะว่าเราีมีจุดยืนอยู่ในความศรัทธาของคุณนั่นแหละศรัทธาไปเถอะ แต่เราเห็นว่าตอนปลายแล้วมันประสานกันได้เรียบร้อยเลยโดยพื้นฐานความคิดที่ต่างกันศาสนาเทวนิยมถือว่าสรรพชีวิตสรรพสิ่งหรือว่าโลกทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นจากการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้รังสลิดขึ้นจนถึงพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทํารงรักษาแล้วก็เป็นผู้ทําลาย ศาสนาพุทธไม่เชื่ออย่างนี้ศาสนาพุทธ ย, ยอมรับความมีอยู่ของทวยเทพทั้งหลายทั้งเทวดามารภรมยมยักษ์ทั้งหลายนี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่ไม่ได้ถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในขณะเดียวกันเราก็ถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น ผลสัพพชีวิตในโลกล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกับเราคนหนึ่งคิดมาจากผ่านพระเจ้าคนหนึ่งคิดมาจากความเป็นเพื่อนร่วมโลกกันมันจะเกิดการสังรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นการเคารพสิทธิมันจะเป็นการให้เสรีภาพมันจะอยู่ร่วมกันด้วยมีสวัสดิภาพ แล้วก็มีสวัสดิการมีสันติสุขมีสันติธรรมมันไปได้เรียบร้อยนะแต่ว่าศาสนิกของเราส่วนใหญ่ไม่มีคุณภาพไม่เข้าถึงจริงๆได้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเองแทนที่จะได้ทำหน้าที่สนองงานพระพุทธเจ้า ดยการศึกษาด้วยการริบัตด้วยการเผยแพรโดยการปกป้องรักษาพระศ า, าสนาก็ไปมุ่งลาดสักการะชื่อเสียงที่เราเรียกว่า บ, บินบางสังส่วนเนี่ยคือบันทีดูข่าวเห็นพระไปสวดมนต์ันเพลในที่ต่างๆใช้เวลาทั้งสามสี่ชั่วโมงไปกลับนี่เาก็สลดุดนะ ว่าชีวิตพรมจันาร์อยู่อย่างนี้เท่านั้นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเดี๋ยวเราควรจะมีเวลาที่อยู่กับงานพระพุทธศาสนานี่มากกว่านั้นแน่นอนงานเหล่านั้นก็เป็นงานอนุเคราะห์โลกแต่เรื่องบางเรื่องเนี่ยคนอื่นก็ทำได้ก็ปบอยคนอื่นก็ทาทำไปบ้าง เราก็มาทําในส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยได้ทําแล้วก็รับสั่งว่าทรงเปล่งอุทานใดๆในที่นั้นๆเพราะเป็นเหตุสิ้นอุปาทานหมายความมาทรงประรบที่โดยปีติเนี่ยหมายความมาผู้สิ้นอุปาทานแต่ว่าโดยสังเวทเนี่ยคนยังอยู่ด้วยอุปาทาน แล้วก็ถูกกิเลสผักไสเสื่อสายให้เลือนไหลไปตามกระแสกิเลสโดยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าก็ทรงปริงประรบเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาบางค้าก็อาจจะประรบพระองค์นะฮะอย่างบทแรกเนี่ยเช่นว่า เราเมื่อแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนในท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตเป็นนันมากการเกิดไปบ่อยเป็นถูกบ่อยๆดูก่อนในช่างคือตันหาผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนเกิดหน้าผาเพื่อแก่เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเราหักทำลายแล้วจิตของเราเข้าถึงวิสังขารคือปราศจากเครื่องปรุงแต่งเพราะว่าความชิ้นไปแห่งตันหาทั้งหลาย อันนี้ก็เกิดวิติที่พระองค์รอดพ้นมาได้แล้วเกิดสังเวชถึงอนาคตถึงอดีตของพระองค์ที่ต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกนะฮะเกิดแล้วเกิดดี ก, ก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกผีพ่อกี่ชาติมันก็ทุกข์ก็เกิดก็ทุกข์แ ก, ก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นเพราะนันอุปทานเหล่านี้ยเป็น เกิดขึ้นมาจากสองเหตุเกิดเป็นจากปีติแล้วเกิดเป็นจากสังเวชก็เป็นอัธยาศัยของพระองค์แต่มุ่งสะท้อนถึงสัจธรรมเมือ่อเราเจอบทใดก็คือบทนั้นเนี่ยโดยเนื้อหาสาระเขาเชื่อมโยงถึงกันนะแล้วก็ท่านกล่าวว่า ที่พระธรรมสังหากาจารย์รวบรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันคือพระพุทธุถาในต่างกรรมต่างวราระนะฮะคนละทิศคละทางกันเลยอยู่คนละทิศคละทางคนละเหตุคนลผลคนละกรณีกันเลยทั น, นี้ตอนสังขยนาเนี่ยเมื่อท่านดำริที่จะสังขยาจัดเป็นหมวดหมู่กันท่านก็รวบรวมเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันเนี่มาไว้ในที่เดียวกัน แต่ว่าเนื่องจากพระธรรมเทศนาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นปริยายเทศนาคือแสดงส่งแสดงในยะหนึ่งในยะหนึ่งในยะหนึ่งออถนนเยอะเลยฮะแต่ไม่จุดบรรจุอยู่ที่เดียวกันเพราะงั้นธรรมะเหล่านี้จึงปรากฏในรูปแบบเยนวสูขนาดยาวก็จัดไปหมดหนึ่งสูงขนาดกลางก็จัดไปหมดหนึ่ง แล้วก็เอาเรื่องเดียวกันมาเกาะกลุ่มกันเรียกว่าสังยุตติกายแลวองค์ธรรมซึ่งมีจานวนเท่ากันมาเรียงลำดับกันอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ยากง่ายนะฮะและแต่ว่าจะเรียงอะไรก่อนอะไรหลังแล้วพอดีพอจัดหมวดหมู่ได้อย่างนี้มันเป็นสี่หมวดแนละ้วมันเกิดไอ้เรื่องเบตเตเลตที่ไม่เข้าโดยกฎซึ่งกําหนดเอาไว้ในตอนตอน้น มากมาหาศาลมากเเป็นธรรมสิ5าเรื่องใหญ่ๆรวมไปถึงอริธรรมบิดกเองในสุดก็จัดเข้าใหม่คุตตะนิกายเป็นนิกายเล็กน้อยนิกายเบตเตเลตนะฮะแต่เบตเตเลตแต่มากมากกว่าเพื่อนใหญ่กว่าเพื่อนก็ พระสังฆ า, าจารย์เนี่ยพระสังฆ า, าจารย์คืออาจารย์ที่ทาการสังคายณายกขึ้นสู่สังคายนาร้อยกรองโดยเชื่ออุทานก็แสดงว่ายกขึ้นสู่สังคารณาเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะยกะยกอะไรก่อนอะไรหลังก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ลำดับเหตุการณ์ที่ท่าคนคอสังเกตว่าไม่ได้บอกว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลัง แต่นั้นคือสัจธรรมอย่างเนี้ยอุทานทัพ ป, ประสูตรเนี่ยสองสูตรสูตรแรกก็เกิดขึ้นที่พระเวรุวันกัลันตะกะานิวปะสถานกรุงรัชช์ฤกอ์ก็ประรบการปริพาน์ของพระทัพพระบรรบุตรเหมือนกันถ้งจุดหนึ่งมันมีปัญหาขาดใจพระอยู่พระเจ้าก็ทรง ระรบเรื่องนี้ทีหนึ่งก็มาเทศแก่ภิกษุทั้งหลายที่ประเชตตะวันคนละเมือกนันเลยนั้นสถานที่เนี่ยมันก็ต่างกันไปเนี่ยแต่ว่าการรวบรวมเรียบเรียงคือคุณอุปการของพระถาจารย์เนี่ยมีคุณอุปการมากคือถ้าเราไปค้นเองยมันจะแย่มากเลยเราจะไม่ไหวอ่ะ เพราะูาอาจารย์ผ่านมาสองพันห้าร้อยกว่าปีนี่ท่านช่วยทำอะไรไปเยอะระยุสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการจัดทามีการรวบรวมมีการเรียบเรียงมีการร้อยปรองรอะไรต่างๆกั น, นแล้วนี้ก็ที่จริงก็เป็นคุณอุปการต่อพระศาสนาเรไม่ต้องหามากเลยก็อย่างเช่นหนังสือนโกว่าที่สมเด็จพระมห า, ส, า, าสมณเจ้าทรงรวบรวมไว้เนี่ยเวนีเราใช้กันทั่วประเทศ ท้กันในทุกส่วนของโลกขอพุทธาสณาพระแปลมภาษาอังกฤษไปแล้วแต่ถ้าเราดูที่ไปที่มามันจะรวบรวมมาจากคำภีต่างๆเยอะเพียงแต่ว่าทรงมองคนแล้วก็มองธรรมแล้วก็จัดบนหมูข้อธรรมให้เหมาะสมแก่นคนในยุคในสมัยของพระองค์แต่พอดีธรรมะเป็นอาการิโกนะฮะไม่ เปลี่ยนแปลงอะไรไปตามการเพราะงั้นในปัจจุบันก็ยังดีอยู่ยังถูกต้องสมบูรณ์อยู่เราก็ยังใช้อยู่เรียบร้อยและเชื่ออุทานอุทานนั้นเป็นพระพุทธภาสิทธิทรงเปล่งขึ้นโดยโสมนัสยานและก็สังเวชประไทยไม่ได้เจตนาสั่งสอนใครโดยตรงแต่เป็นการสรุปประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมะ แล้วกยักยเปลี่ยนแปลงไปตามควรแก่กนณีเหล่านั้นท่านบอกว่าเพื่อประกาศอัดของอุทานนั้นซึ่งอาศัยอัตกถาเก่าๆที่ข้าพเจ้าเริ่มพันธนาไว้ดีแล้วคือการอธิบายอย่างที่เคยเล่าฟังว่าแนวอัตกถาเนี่ยเขามีอยู่ตั้งแต่ภาะไตรโดฎแต่ตรง น, นั้นก็เรียกว่า ภสังกขะอาจารย์บ้างนะสังคีติกาจารย์บ้างพระคันธรัจนณาจารย์บ้างสุดมาเรียกเรียกสังคีติกาจารย์นะคันธะนั้นที่จรงอยู่อยู่ตัวหลังก็ได้นะเพราะว่ารัจนาคัมภีร์ทั้งหลายคิดว่าเป็นการอธิบายขยายความจากพระตดดรีิตร์ทีนี้คําว่าข้าพเจ้านี่หมายถึงพระพุทธโฆษาจารย์นะท่านบอกว่าที่ข้าพเจ้าเริ่มพันนาอัดไว้ดี อัดวรรณนานั้นว่าโดยชื่อชื่อว่าปรมัตถดีปณีปรมัตถดีปณีก็คือการแสดงธรรมะระดับสูงคือปรมัตถธรรมจิตเ จ, ต, จตสิกรูปนิพานนะฮะแสดงในเรื่องในเรื่องสูงแต่ที่จริงก็พอดูรายละเอียดก็ก็ อ, อื่นอยู่ด้วยนะฮะแต่เรื่องอื่ น, นั่นแหละ คออำว่าจิตเจตสิกรูปลิพานมันครอบจั ก, กรวาลมันครอบหมดแล้วน ะ, ะเราเห็นว่าแต่จิตก็คือจิตอ่ะก็นับไปถึงทลาร้อยยี่สิบเอ็ดดวงแล้วก็เจตสิกก็คือกุศลนอกุศลอากฤิททั้งหมดอ่ะทำทั้งหมดอ่ะเป็นเจตสิก แล้วก็รูปก็คือรูปประทัมทั้งหมดที่เราสัมผัสโดยตาหูจมูกลิ้นกายและนิพพานก็คือพ้นจากขันเรียกขัน้วิมุตติแต่ว่าเมื่อท่านยังไม่ยังไม่ตายเออยังไม่ตายเนี่ยมันก็ต้องอาศัยขันอยู่นนื้อะก็ก็หมดแล้ว เพราะถ้าเราถ้าเราจับประเด็นให้ได้เนี่ยนะฮะแม้แต่คําว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานก็ดีคำว่านามรูปก็ดีหรือว่ารูปนามก็ดีหรือว่าขันห้าก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยเรื่จริงก็เรื่องเดียวกันเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการถกเถียงแต่ว่าก็มาทําความเข้าใจมาดูมารู้จักกันเลยท่านบอกว่า อันเป็นเครื่องประกาศอัดอันยิ่งใหญ่ในพระสูตรนั้นตามสมควรมีวินิจฉัยไม่ฟั่นเฟือจบบริบูรณ์โดยบาลีพานวาลคือทำด้วยความเรียบร้อยอะพูงไงถ้าเล่ า, ถ, า, ลาถ้าเล่าถึงการทำงานของท่านในเรื่องเหล่านี้เน้นที่เฉพาะตัวปรมัตติปณีเน้นที่ปรมัตติปณีแล้วก็บอกว่า ขอศาสนาของพระโลกนัตเจ้าจงสว่างสวัยด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นอันบริสุทธิ์ขอพระวงสัตว์จงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุติรสขอศาสนาของระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตอยู่ในโลกตลอดกาลนานขอปวงสัตว์จงมีความเคารพในพระคุณพระาศาสนาเป็นนิดขอฝนจะตกต้องตะเ บ, บ, บนพื้นปฏิีโดยชอบตามรูการขอผู้ยินดีในพระศาสน จงปกครองชาวโลกโดยทำเทินนี่คือแนวอัจกราแนวแนวพระอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่าท่านไม่ประรบตัวเองทางไปทำมาเนี่ยขอให้โลกทั้งปวงเนี่ยเข้าสู่สันติสุขตามหลักของพุทธธรรมถึงว่าที่จริงการคิดอย่างนี้นะฮะการคิดอย่างนี้ก็คนรั่วไปก็คิดกันไม้ค่ยได้หรอก แต่ถ้าเราดูผลงานของพระอาจารย์ทั้งหลายพระทาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยไม่ไม่ประรกตัวเองขอให้ขบเจ้ า, เ ป, า, งง เ, ปาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นแต่พื้นจิตเป็นผู้อนุเคราะห์โลกทั้งกล่าวเป็นปฏิปทาที่ควรแก่การมองแล้วก็ยึดถือเป็นแบบหรือตามปฏิบัติตามตรงนี้ยข้อข้ออธิษฐานในลักษณะนี้จะปรากฏในที่ต่างๆในเยอะ ก็ไม่ใช่ลอกเลียนกันแต่ว่านำมาช่วชูนำมาช่วชูให้เห็นว่าจตนาอารมของพุทธศาสนาบนเส้นทางแห่งพุทธวิธีเนี่ยเป็นสุขเป็นสงบเป็นเยือกเย็นจากเวณภยัยอันตรายต่างๆจนถึงกับสงบจากกิเลสด้วยประการทัางวกทั้งฝังทงั้งหน เสียงทางจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพยบูรณนธรรมจึงมีแด่ท่านทุกฟังหละหนักรู้ทั่วกันสวัสดี